เป็นจริงทงนถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาดังนั้นกล่าวได้นะครับว่าวิญญาณของบัรพชนเนี่ยหาได้ตาจากไปไม่ยังแฝงเร้นอยู่ในหน้าตาผิวพรรณแนวโน้มเอียงในจีนดังนั้นมนุษย์นี่แท้ที่จริงนะครับเป็นชีวิตเดียวไม่ว่าในปัจจุบันร่วมสมัยหรืออดีตหรือจะมีในอนาคต ดังนั้นเมื่อเราจเจริญภาวนานั้นเรากำลังปฏิวัติพันธ์เผาพันธ์ของมนุษยชาติด้วยเราก็ทำให้จีนที่จะถูกถ่ายทอดต่อไปนั้นมีแนวโน้มเอีงที่ดีไม่เกิดมาเป็นคนชั่วหรือคนที่กระพร่องแพร่งมีความเป็นมนุษย์ที่ไม่เต็มเต็งนันกสาเห็นว่าการปฏิธรรมานี่ความรู้สึกตัวล้วนๆทุน่ทนๆนี้ เป็นทั้งหนึ่งเป็นทั้งทั้งหมดเป็นทั้งการก็ทำให้ปัจเจกหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงและก็ทำให้สังคมค่อยๆหลุดพ้นจากความชั่วบาปไปทีละน้อยทีละ น, น้อยด้วยในชั่วโมงถัดมาอีกเพิ่มขเ้นโยถึงความสุขว่าสุขาสังกาาัษสมคี ความสุขใช่ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราที่เราจะตะกลุ่มตะกลางม า, มาครอบครองได้แต่ว่าเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั่นคือร่วมมันสร้างสารรค์บรรยากาศของความสุขซึ่งมีสามัคคีเป็นหลักคือความมีน้ำหนึ่งใจเดียวถ้าว่าโดยทางสง์หรือทางพระหรือทางสิ่งที่เป็นกุศลแล้วสามัคคีย่อมหมายถึงสามัคคีในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มีประโยชน์ในสิ่งที่ไร้โทษ ในดังนั้นเมื่อเราชวนกันสร้างสรรค์สามัคคีในสิ่งที่ดีงั้นเราช่วยกันสร้างหลงธรรทุกคนก็ได้นั่งหลบลมแดดฝนได้งั้นเราก็ได้พลอยได้รับความสุขจากการที่ช่วยร่วมสร้างบรรยากาศของความสุขในชั่วโมงถัดมาผมพูดเรื่องความสุขภายในร่วมสร้างบรรยากาศสามัคคีนั้นเป็นเรื่องของสังคม โดยส่วนรวมสมองถัดมาองพูดเรื่องความสุขในภายในที่เกิดจากการสิน้นอัจฉิมมานะสิ้นการถือเนื้อถือตัวสิ้นการยึดถือว่าตัวตนวต่าของของตนซึ่งเป็นบรมมุสุขเป็นสุขซึ่งไม่มีอะไรเกินความสุขเอ่ยชื่อของความสุขนั้นใครๆก็ย่อมต้องการใครๆก็ย่อมปรารถนาไม่มีใครเลยที่ไม่ต้องการ แต่ว่าในการแสวงหาความสุขเท็เทียมนั้นนะครับจะสร้างเป็นเงื่อนไขสร้างความทุกข์ทรมานกันอย่างทั่วถึงดังนั้นอย่าแสวงหาความสุขแต่จงอยู่ให้เป็นสุขโดยการละอดศมีมานะและร่วมสร้างความสุขแต่อย่าต้องการความสุขอย่าพยายามที่ไขว่คว้ า, าเพราะเมื่อเราไขว่คว้าความสุขแล้ว สิ่งที่เราปล่อยคว้าก็กลับเป็นอารมณ์ถึงคล้ายๆ ล, ลูกฟึดลูกบอลที่เด็กๆ เ, เล่นที่ริมทะเลเราก็โดดคว้ามันมันก็กําหนดเราให้หัวที่หมหัวต่ำไปเรื่อยๆแต่จงทําตัวให้คล้ายๆเรานั่งอยู่บนโลกซึ่งเป็นลูกบอลใบใหญ่หมุนไปด้วยตราที่เร็วสูงแต่เราก็อยู่กับมันเราเป็นส่วนหนึ่งของความสุข ในลำดับถัดมานั้นท้องก็พูดออกไปหลายแงย่หลายมุมแต่รุ่นแล้วจะเป็นเกร็ดเกล็ดผิดย่อยเรื่องจักรวาลบ้างเรื่องการศึกษาบ้างเหมือนกับคนพร่ำเพอถึงหลายบางสิ่งแต่นั่นเป็นเพียงข้อคิดเห็นซึ่งไม่สู้จะมีความสลับสำคัญอะไรนะแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดซึ่งเราจะเลอะเลือนไม่ได้หรือ ทำไมมันเลอะเลือนไม่ได้นั่นก็คือตัวเราต้องไม่เลอะครับเส ม, มอเราอาจจะพูดอะไรถูกอะไรผิดซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์นะแต่ว่าธรรมชาติแห่งความไม่เลอะเรือนนี่มีคือความรู้สึกตัวชั ด, ชดมันจะไม่เลอะเลือ น, น, นต้องรู้สึกตัวบ่อยๆการทำบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างบางทีก็เลอะเทอะดีเหมือนกันมนุษย์เราพลั้งพลาดเป็นเรื่องธรรมดา เลอะมากๆก็คือไปเจ้าฆ่าเจ้าแกงเขาหรือปล้นสะดมตีสิงวิ่งราล่นี่เป็นเรื่องธรรมดามากๆเราไม่พึงมองคนที่ฆ่าคนหรือเป็นโศเพณีว่าเป็นพวกเลวทามถ้ามองเช่นนี้ผู้มองนั้นเองเป็นผู้ที่ที่เลอะเทอะพอๆกันดัง น, นั้นเราต้องทําสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเนี่สิ่งที่ไม่เลอะเลือนอยู่แล้วนะครับเราหมั่นชําระ ไม่ให้มันเละเลือนประดุดกระจกเงาซึ่งสายสะอาดแล้วก็หมันเช็ดฝุ่นละอองออกไปกระจกนั้นก็ทําหน้าที่ทํากิจที่พึงทําได้ดีจิตใจของเรานั้นจำสายอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติจิตใจของมนุษย์ทุกผู้ทุกทุกรูปทุกนามนะฮะย่อมเป็นธรรมชาติซึ่งจำสายคือบริสุทธิ์ คำบริสุทธิ์ในที่นี้หมายนั้ว่าเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าคําว่าบริสุทธิ์คือการที่ต้องสะอาดแบบเที่ยวผงซักฟอกก็ไปซักมันหรือเอาน้ํากรดลาดให้ให้มันสะอาดนั้นมันไม่ใช่ความสะอาดครับความพยายามที่จะให้ตัวเองบริสุทธิ์กว่าความบริสุทธิ์ตามธรรมชาตินั้นเป็นความทุกข์ทรมานดังนั้นจงอยู่เฉยๆครับจงรู้สึกตัวง่ายๆ แล้วไม่ช้าไม่นานธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆของมันล้วนๆทุ่นๆจะปรากฏขึ้นเองว่าโดยธรรมชาติแล้วขี่โคลนนี่ือบริสุทธิ์นะครคือเขาบริสุทธิ์ตามธรรมชาติดอกไม้ทุกดอกย่อมบริสุทธิ์ตามธรรมชาติข้างคอกกิ่งคือนี่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติแต่คนนี่รังเกียดกิ่งคือมากบ้านที่ผมอาศัยเขาอยู่ ติดริมบึงริมคูกิ้งคือขึ้นมากขึ้นคืนหนึ่งผมเฝ้าดูกิ้งคือเนสัตว์ที่มีอหิงสามากไม่สู้เบียดเบียนใครใครไปแตะข้าวเดี๋ยวก็ม้วนขดหลนป๊อกนอนนิ่งพอรู้สึกว่าพ้นอันตรายก็คืบคลานต่อไปแต่ว่าเราลังเกียจมากสัตว์ชนิดนี้เราขยะขยะยจริงๆเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยเบียดเบียนใคร นั้นเองนะครับผมขอกล่าวคําสรุปยน่นย่อเพื่อที่จะให้ความหลากหลายรวบรวมเหลือเพียงสั้นๆเพื่อกําหนดจดจําง่ายเนื่องจากหัวใจของมนุษย์เป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งอยู่เองแล้วเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งอยู่เองได้เปรียบเหมือนแสงตะวัน ซึ่งมีแสงสว่างภูยพุ่งออกจากดวงดวงตะวันเองแต่ว่าคราใดาที่มีเมฆเข้าบดบังนั้นพื้นโลกก็จะถูกบดบังไปด้วยมืดคลึ้มไปด้วยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไปทัศนวิสัยก็จะไม่ไม่ไม่สว่างเหมือนเดิมแต่แล้วไม่เช้าเม่นานนะครับเมกเมฆหมอกันนั้นผ่านไป พระอาทิตย์กระแจมจ้าเหมือนเดิมส่องสว่างไปทั่วทั้งสุริยะจักรวาลนี้จิตใจของเราก็ฉันนั้นเปรียบประตูตะแหล่งที่มาของแสงสว่างเพราะชีวิตจิตใจนั้นเป็นเป็นแหล่งกลางส่วนบุคลิกภาพสังคมค่านิยมต่างนั้นมันเป็นสิ่งที่หลังมันเป็นผลพวงเท่านั้นเพดัะนั้นเองถ้าหากก็มีห้องมืด เมื่อเราจุดไฟขึ้นทุกสิ่งก็สว่างขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นครับพอหัวใจเราสว่างเราจะพบว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งนี้ออกมาจากหัวใจสว่างเพราะหัวใจครับทั้งรูปทั้งนามความดีอะไรทั้งหมดนั้นมันสว่างมันเปล่งประกายออกจากจิตใจของเราจะท้าวความดีอยู่ที่ไหน อยู่ที่ยอดเขานางเอหรือหรืออยู่ที่อ่าวบ้านดอนหรืออยู่ที่ก้นมหาสมุทรหรืออยู่บนยอดดอยอินทนนท์เราจะไม่พบครับเราพบว่าอ้ออยู่ที่หัวใจนี้เองความดีความสุขอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ยอดไม้หรืออยู่ที่ในลำธารเราพบว่าเราหาสิ่งอนั้นไม่ได้ความสุขอยู่ที่ใจที่บริสุทธินี้เอง เมื่อเเพียนที่สำรวมจิตใจเช่นนี้นะครับใช้สิ่งที่บุบพชนของเราสร้างสารรค์สิ่งดีงามไว้ให้เป็นสื่อเมื่อเหลือบตาเห็นช่อฟ้าทันใด น, นั้นก็โหนก็กลับเข้ามาในหัวใจเพราะช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของความเฉิดฉายและสูงส่งของชีวิตเห็นยอดเจดีย์ได้ยินเสียงะระฆังดังเางยงาคนผู้เป็นศาสสนิคที่แท้นะครับ ผู้เพียรเจริญมากไปเนี้ยเขาจะเลือกใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมปรดุษนักดนตรีที่เก่งก็เลือกโนต้ตขึ้นมาเรียบเรียงให้เกิดสิ่งเพลงที่ไพเราะธรรมะที่พีเจ้าสอนนี้นะครับถ้าปฏิบัตินานคุ้นเคยจะรู้สึกเป็นสิ่งที่งามงดงามเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าตอนที่เริ่มต้นสอนหรือในธรรมะง่ายๆจนกระทั่ง กลางๆและที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่งามยิ่งเปียบประดุดกับโน้ตเพลงแต่ว่าท่านนัดนตรีบรรเลงไม่ถูกต้องสมมติเราไปนค้นพบโน้ตชิ้นหนึ่งเมื่อบรรเลงไม่ถูกต้องตามนั้นก็จะพบว่าเพลงนี้ไม่แพะไม่เแพะเลยเดังนั้นเราต้องอาศัยสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนไว้น ะ, ะปฏิบัติเข้าไปตรงๆกำลังเล ยาเชยชานะครับต่อสิ่งกระเสิดแบบนี้ใ่สุดผมก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับแม้จะไม่ช่วช่วยช่วโงสุดท้ายแต่ผมก็อยากจะกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ที่สุดมากๆที่ให้ความสะดวกกับผมมากเลยตั้งแต่มารถไฟก็ได้นอนมาเรื่อยครับขากลับนี่ก็ได้นอนอีกแล้วก็คุณสมศักด เหนื่อยมากที่ข้าวไปให้ผมกินแทบจะทุกมือ้อวันนี้ก็ลื่นล้มที่ข้างบ่อแล้วมีเพื่อนเป็นห่วงแก้วมากกว่าเป็นห่วงคุณสมศักดิ์สิอีกระสมชายครับที่วิ่งจัดการน้นนี้แล้วก็หลายหลายคนที่ไม่ได้รือบุชื่อนะครับก็ทุกคนทำความดีก็คงได้รับผลดีตามตามที่ทำนะครับ ไม่ใช่ผมจะให้พรได้พรมนก็อยู่ในตัวของเรานะเราทาดีเราก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากใครมันก็ดีเท่านั้นเองฮเมื่อเราชกน้ามันก็น้าก็ทิ่มให้เท่านั้นเองแล้วก็ผมหวังนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีความหวังหวังว่าพวกเราทุกคนของ กำหนดจดจำได้บ้างไม่มากก็ น, น้อยสิ่งที่ผมพูดหรือพระอาจารยสุดพูดหรืออย่างน้อยสุดก็คือความรู้สึกกระทับใจที่เคยอยู่ร่วมกันแม้คนที่เลอะเทอะมากๆ ก, ก็คงจะจำได้วันหน้าวันหลังเจอหน้าในเรือในรถร้องทักบ้างผมอาจจะจำไม่ได้เพราะอายุก็มากแล้วร้องทักบ้าง หรือเห็นเดินอยู่ข้างถนนหนึ่งเทพถ้ามีเวลาหรือไม่กลัวรถเฉียดเอาก็โผล่หัวไปทักบ้างคงจะดีครับตอนนี้ผมทําหน้าที่ยิงผมแล้วนะครับ ผ, ผมทําหน้าที่ยิงผมตามสติกําลังจุติปัญญาแล้วเหลือแตหน้าที่ยิงนักศึกษาที่ต้องทําบ้างละ คนดังทำในสิ่งที่ตัวเองรู้และตัวเองเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าการพบปะครบหากันคงไม่เสียเที่ยวอาจารย์พิสุทธ์คงไม่ต้องเสียเงินเปล่าให้ผมมางั้นทีคงจะต้องยุติเท่านี้ครับขอให้ทุกคนนะครับสุขความสุขความสวัสดีทุกคน ให้สติย้ำเตือนแก่พวกเราพวกเราทุกคนมีครูบาอาจารย์มากมายที่พร่ำสั่งสอนพวกเรามาแต่น้อยคนนักที่จะให้ความรู้เท่าได้ของเราด้านนี้ครั้งแรกพวกเราอาจจะไม่ค่อยศรัทธาหรือมีความเห็นเป็นเรื่องตลกหรือขบขันแต่ยิ่งนานวันข้าวเมื่อเราได้ปฏิบัติเราได้รับรู้ เราจึงรู้ว่าสิ่งนี้แหละมีค่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ให้เป็นวิทยาทานที่มีค่าและสูงส่งและสูงส่งยิ่งควรที่จะจดจำและเป็นสิ่งที่มีประเสริฐยิ่งที่สุดในชีวิตท้ายที่สุดนี้พวกเราทุกคนขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์มาก ล้วขอให้ท่านอาจารย์เดินทางกลับสู่ที่พักโดยความสวัสดิภาพค่ะคารพและจััทาค่ะ ที่เป็นแม่แม่เสียงมามาซ้อมแม่เสียงเขาเขาว่าทำนองเพี้ยนมากเพี้ยนมากร้องท่อนกลางก่อนท่อนท่อนกลางในท่อนๆเนอะเบิกบานเรร่อนเรร่อนก่อนผมจะบอกว่ามผิดตรงไหน ร่อนไปบนทางใดใล้ทุกภครจะมาแผ้ว่านไม่ไม่ต้องอัดได้ไหมครับมันเข้ากันดีแตตอนเบิกบานนี่มันถ้าเข้าใจนี้ซับเอาความํานาญนี้ไปไปร้องบทต้นจะลงอ๋อเล่ร่อนครับหนึ่งหนสอง ผิดอยู่ตรงนี้ผิดมากเลยขอสาทีไม่สรมีมีแต่ทุกคนสงบกรุณาสงบกรุณนามันมันลื่นไปอย่างนี้ <c oughs> เอาใหม่ครันเคาะจังหวาไปด้วยครับล้ม <c oughs> แถวดอกไม้นุ่งใจเบิกบาน ขอสานทีไมตรมีแ ด, ด่ทุกคนส ง, งบกรลวนาคือจังหวะนี้มันจะเป็นบันไดครับทำให้ข้อจังหวะนี่มันมันบางตอนไปชา้าบางตอนไปเร็วก็แต่ต้องใช้จังหวะถ้าช่วยเอาใหม่ทิครับพร้อมๆกันได้ครับเรรอนไปบนทางใดใครสุขใครจะมาเท่าทาน มา น, นินใจเบิานขอสนันติไม่ตรีมิแดทุกคนสงบ ก, กรุณาสงบ ก, กรุณาย้อนไปตอนตอน้นเบิานสานันติไม่รีเจ้าพรมพิชตธสมที่มันมม่ น, านตากันีต่อกัน เดนที่วันควันสนิทมีรวนเดินที่ร้องวันนี้ทานองเพี้ยนทั้งนั้นผมฟังตั้งแต่เช้าจือแต่ตอนเช้าผมจะยินใครไม่รู้ร้องเพลงเคราะจังเลยเสียงแวาไปถึงระตที่ผมฟักอะไรนะเอาความรักคืนไปเอาหัวใจคืนมา ผมนึกในใจม่ายังนุ่งขาวหุมขาวอยู่นะอ๋อเด็กแล้วัผมนึกในใจว่าหน้าดูนะเนี่ยนึกตอบไปว่าจริงๆเขาไม่ต้องการจะร้องเขาต้องการจะร้องงนี้จะได้สึกแล้วเนาะนีะมากกว่า ควบคันจะได้จำทีมีสติสมาธิมันมตาสันตอ ก, กันชื่อที่วันคัน ส, น, สนิรวานเรรอนไปบนทางได ใส้ทุกให้จะมาเทล่ยวผ่านดอกไม้ดวใจเบิกไฟขอสันติไมตรีมีแดทุกคนสงบกรณุณนาสงบกุณนารสงบกุขอขึ้นไหมครับนานเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ขบวงว้อมุงกลมเลยครับดีดีกว่าล้อมจับมือกันแบบเดียวก็เปล่งเสียงโอมบ้างร้องเพลงเพื่อใช้วินั s <S good, da, da, da, s> <S ่าบเปิดถิ่นตัวครับแล่วก็ทำในสิ่งที่จำเป็นที่จุดที่ต้องทำเพื่อให้เรามีบาปน้อยร้องเพลงนี้ถือว่าทำในสง ทีดวินัยครับแต่ว่าจริงๆเราเราทำผิดเรื่องแรงๆมา ก, กว่านี้ที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านี้มากดังนั้นก็เรียกเอาผิดน้อยๆเอาผิดน้อยทุกครั้งที่เราจะดำเนินกิจกรรมทำอะไรเราต้องหอนจุดคุนภาพมันตัวให้ครบก่อนจำไว้นะครับ จะล้างชามไม่จริงหรือจ่ น, นั่งล้างที่นีามจะอยู่ในท่ายุงยุ่งยูยดคล้างไมไ่นานร่างกายมันจะเบียดดีนะเ้าใจไลมหายใจจะจะแทกกระทันหันไม่ทันในถึงที่เกียดล้างหรือแม้แตล้างไม่สะอาดแลวไม่มีความสุขแล้วไม่มีการสร้างสรรค์ในการล้างสามนั่นจริงแรกคือจุดเสุียรกรด ข้าืมาาาางบก น, น, น, นันั่งนับายเนั้นการชำาะล้างจานข้างนอกเป็นการชำระล้างภายในคกรการล้างความฟุ้งซานความั้สายไปความไม่คมพัดของชีวิตยนั้นขะที่ล้างจานถือว่นี่เอเป็นเป็นช่วงชีวิตที่สาคัญว่าไปแล้วก็ มันสำคัญทุกๆกิจกรรมไม่มีไม่มีกิจกรรมไหนเลยที่ไม่สำคัญดังนั้นเราควรจะทำกิจกรรมทุกอย่างคล้ายกับอยู่ต่อหน้าจริงเราเปนั่งต่อหน้าพุทรูปเราจะไม่กล้าพูดมากทุกรูปติดติดเขาลือมากติดแต่สิงที่ติดติดที่แท้จทรงิงอยู่หัวใจเราท่านคุณโบราณผู้รู้จะพูดว่า ตรงละอายใจจงคำพูดนี้เราได้ยินตายใจใช่ไหมครับเรารู้แต่ว่าเราไม่ใช่ผใจนะไมใ่ใช่ใจลึธิ์จรงเพราะอายละอายหัวใจเรานีคล้ายมีสิ่งหนึ่งที่ยืนดูเราดูเราอยู่ดังนั้นเวลาทาอะไรก็ตั้งหลักทีก่อนี้นดูเฉพาะใจเราจะเห็นด้วยไนหะเหมือนเหมือนพ่อแม่แล้วเราจะทำอะไรต่อหน้าท่านลูกที่ดีคือต้องถาม เห็นด้วยไหมถ้าหนูจะทำแบบนี้แม่เห็นด้วยไห ม, ห จ, ไ ม, หไหมจริงครับท่านใดที่สังนั้นนะครับต้องถามใจสังใจนี้ผมหมายถึงใจแท้ๆไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อารมณ์ทุ่างัางนั้นเราต้องสร้างให้ใจเราเป็นใจแท้ก่อนมีบุญญาภาพแล้วพอทําอะไรก็ทําด้วยความเกรงใจตัว บริทีรรมรันทำราอานใจเราอายบากอะไรนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมแล้วก็ใช้มันมีประสิทภาพขึ้นทุกวันใช้ใจที่บริสุทธิ์จะหลับใช้ความคิดถ้ามาปึกษากับใจใช้ความรู้สึกจัวแล้วก็ให้เหตุผลให้มากของอารมณ์ไม่ไ้าไมานานเราจะปัิวัติตัวเองถึงนี้เ้าเรากลายเปนผู้ใหญ่ ทั้งๆอายุน้อยแลวการที่ใหญ่ที่เหนืวอยจะมีหลักมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปไม่เป็นคนหลักรอยคนที่ใจลอยหลักรอยคือว่าคนทําอะไรไม่อยู่ก็ล่องลอยเราะฉะนั้นเพื่อนก็งงครับเพื่อนเงงไปเลยเดี๋ยวมันทำอย่างนั้นเดียวมนไปอย่างนั้นจับไม่ได้นี้เพื่อนก็บเบื่อทีหลังไม่อยากจะยุ่งกันแะล้ไม่รู้มันจะเอาไงดีนี้สุดก็ไม่มีเพื่อนจริงๆครับ เราบางคนมีหลักขึ้นมาในในจุดเราจะพบกันเืยอะมาเราสามารถทํางานที่ที่ดีและพัฒนาได้ด้วยเด็กผู้ชายฝรั่งว่าครีเอทีฟได้ใหม่มันมาทําอะไรทุกอย่างมันไม่เพียงจะทําเท่านั้นนงานเข้ามันค้นพบ อ, อวิธีที่รัดสันด้นด้วยดีกว่าขึ้นไปใหม่ๆเพราะว่ารูปจะเลื่อยไม้จะสร้างอาคารนอะไรมันค้นพบอะไรใหม่ๆเรืย นีเรื่องเพียรจิท่านสอนท่านหน้าไปเรื่อยๆดันั้นจงรู้จักที่จะศึกษาตัวเองความคิดพีนองนั้นมักจะมีบทบาทสูงในวัยหนุา่าวเราจะทำอะไรด้วยความพี่น้องที่ผมขอโทษด้วยนะที่อาจารย์เป็นธรรมบามีพี่น้องไป เอาความักไปไว้หั ว, วใจยังถึีมาผมนึกไม่ได้ตำเหนียวนึกแม่หน้าดูดจริงูงนิดแต่ก็เปนึกอะไรเราะทว่าเขาคงเชื่อคุณนี้ได้สิทคงสบายใจเะคงไม่หมายอย่างนั้นจริงแต่ว่าเพลงที่รอจริงก็ว่าคูณนี้ฉันจะได้ึกแล้วดูทีวีตามใจเขา้าจ ออ ผ, มผมไม่ร้องนะถ้าถ่ายวีดีโอเดียวชาบอยกับเพื่อนผูเห็นอนนอันนี้ชักจะบ้าไปใหญ่เ <c oughs> ลยเอาเลย ผ, ผมจะปังผมให้จังหวะหนึ่งสองสามานไสิ ม่ละตอนี้เสียงยืด <c oughs> นิสิตีสมาธิมัน <Stuart> <c oughs> เอาใหนึ่งสองสามเิมมาสไห <c oughs> <c oughs> เดืนต้นไหม่หน